เมื่อทำความดีน้อยแล้วผลที่จะได้รับมันก็น้อยคือความสุขความสบายเนะ่มันก็มีน้อยดังนั้นนะคนเราเนะ่ะมันจึงมีความสุขมีความทุกข์ยิ่งกว่ากันย้อนกว่ากันไม่เหมือนกันนะ่ะผู้ที่ไม่ประมาทตั้งใจ ฝึกใจของสนให้เป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญกุศลแล้วมันก็สแสวงหาทำแต่บุญเป็นอย่างนั้นย่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจดังนั้นนะ่ะผ <c oughs> ู้แสวงหาบุญกุศลนี่แสดงว่าจิตใจมันเป็นบุญ จิตใจมันเป็นกุศลเป็นทุนติดตัวมาให้บุญกุศลอันรน่ะกับจนจิตจนใจให้ชอบทำบุญสืบต่อบุญของตัวที่ทำมาแล้วนั้นมันมีขอบเขตมันหมดเป็นผู้มีปัญญาก็รู้อย่างนี้แหละจึงได้สั่งสมบุญใหม่เพิ่มเติมเข้าไปอีก ให้มันมากขึ้นไปโดยลำดับบุญเก่านั้นมันหมดเป็นเหมือนอย่างเงินทองที่เรามีอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่หาเพิ่มเติมเราใช้ไปก็หมดไปหมดไปดังนั้นเงินทองจะเป็นจริงต้องหาอยู่ เ, เรื่อยพะมันหมดเป็นไอ้บุญนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละบุญที่เราทามาแต่ก่อนมันมาให้ผล ให้ผลไปให้ผลไปมันก็หมดไปหมดไปเป็นอย่างนั้นถ้าอุปมาอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปไปธาตุย่อยส่วละเอียดจะไปเลี้ยงร่างกายไปธาตุมันย่อยไปย่อยไปมันก็หัวใจในีมันก็ฉีดออาหารนี่ไปเลี้ยงร่างกาย ทุกส่วนเลยร่างกายนี้มันจึงเป็นอยู่ได้ท่านพอไปทาดมันย่อยอาหารหมดแล้วมันไม่มีอาหารจะไปบำรุงมันอีกแล้วมันก็หิวขึ้นมาถ้าไม่ได้รับประทานก็ไปมันก็บกบขมนก์กบวายเป็นทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย ผู้ท่อาศัยบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มเติมอย่างนี้เมื่อบุญเก่าหมดลงเอาบุญใหม่ก็ไม่มีชีวิตนี้ก็เป็นทุกข์แล้วว่านี้ไม่มีบุญไปได้นนพึ่งไม่มีบุญอำนวยความสุขให้เช่นนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วดังที่พ ร, สระสัทท์าทรงจัด ทุกขติภูมิไว้ถึงสี่ภูมิน่ะก็เพราะมนุษย์เรานี่แหละ่ยประมาทไม่ตั้งใจทำบุญกุศลให้มากพอทำก็ะทำแต่นิดนิดหน่อยๆน่อยไม่เอาจริงเอาจังอย่างนี้นะขั้นตายลงแล้วจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะมาเกิดเป็นคนก็ไม่ไม่ได้เพราะบุญน้อย ถ้าเธอได้เกิดไปเป็นเปลืเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรไปอย่างนั้นก็ได้เสวยทุกข์ยากลําบากยิ่งกว่ามนุษย์อีกอย่าไปเข้าใจว่าคนนะจะไม่ได้ไปเกิดในกําเนิดเดรชจานนะไปถ้าไม่มีคุณธรรมอันเป็นกุศลมากพอสมควรแล้วจะมาเกิดเป็นคนอีกยากขอให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าการเกิดเป็นคนนี่มีบุญพอดีพอไรนี่ก็เกิดได้ไม่ใช่นะยิงโยคนที่กระจอกก็ค่อยนั่นน่ ะ, ะเขาก็มีบุญน้อยเนี่ยเกิดมาแล้ว อ, อายะร่างกายไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์สติปัญญาอันใดก็ไม่มีนั่นคนบุญน้อยน่ะดูเอาเป็นอย่างนั้นแหล ะ, ะตั้งแต่ชาตก่อนมัวเมาประมาทอยู่ มีแต่เล่นมีแต่สนุกสนานไม่คิดไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อผลของก ร, รมและความชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่ทำดีก็ทำชั่วมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้เลยทีนี้เมื่อบคุคคลไม่สนใจเรื่องก ร, รมดีก ร, รมชั่วแล้ว ไอ้กิเลสในหัวใจนะ่ะมันว่าจะจูงให้ไปทําชั่วมากกว่าทําดีเนี่ยจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมเป็นอย่างนั้นนะถูกกิเลสมันจูงไปทางชั่วนั่นแหละมากกว่าทางดีจิตใจที่ได้อบรมได้รับการสดับตรัพยังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้มันตื่นตัวมันรู้ว่าทําดีได้ดีจริงทําชั่วได้ชั่วจริง มันรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันจึงได้เว้นจากกรรมมันชั่ววันนี้เลือกเพ้นทำแต่กรร ม, มดีใส่ตัวเองเมื่อยังไม่รู้ว่าทำกรรมดีนี่ทำอย่างไรหน่อยนี้ก็ฟังกับศึกษาใจถามท่านผู้รู้เข้าไปความจริงน่มันรู้กันอยู่ทุกคนละชาวพุทธนะคาว่าทำดีก็ให้ทานรักษาศีล ว่้พราภาวนานั่นเรียกว่าทำดีทำกรรมดีนี่มันจะยากอะไรอะ่ะทำกรรมชั่วมันก็กลงกันข้ามเลยเมื่อบุคคลไม่ให้ทานแล้วมันก็ไปโลภไปแยง่งไปชิงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเมื่อบุคคลไม่รักษาศีลแล้วมันก็ไปเทียวเวียดเวียนผู้อื่นและตัดอื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อบุคคลไม่ภาวนา ไม่ทำใจสงบระงับแล้วมันหมดความหลงเข้าครอบงามจิตใจเห็นผิดเป็นชอบไปเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปไปนี่ความหลงเข้าครอบงำแล้วมันมันเกิดความเห็นผิดไปอย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ไม่ทำไม่ไม่ทำบุญแล้ว ทำไปทําไมทําไปแล้วมันไม่ได้ผลอะไระมันเห็นไปอย่างนั้นนี่ไอ้คนที่ไม่ทําบุญน่ะเนียเห็นว่าบาปไม่มีอย่างนี้ยมันไปทําสิ่งที่เป็นบาปมันก็ถือว่าไม่เป็นบาปมันก็ทําไปตามใจชอบของมันก็เป็นอย่างนี้แหละความหลงน่ะอันมนุษย์ที่มันเบียดเบียนผู้อื่นไปเที่ยวยี้ร้นหลอกลวงช่อกง เอาสมบัติอื่นมาเป็นของตนโมนี่ก็เพราะมันหลงเข้าใจผิดอย่างว่านี่เลยมันเข้าใจว่าการกระทำเช่นนั้นมันจะมีไม่มีผลตอบสนองอย่างนี้นะนี่ให้กลัวต่อความหลงอันนี้ไว้เสมอชาวพุทธทั้งหลายนะ่ะก็เมื่อเกิดความเข้าใจผิดแล้วมันก็ทําผิดพูดผิดไปยากที่คนอื่นจะมา ตักเตือนให้รู้สึกตัวได้เพราะว่าคนนี่อายุมากเข้ามาเป็นพ่อเป็นแม่ของคนมาแล้วมันทิฏฐิมานะอันใดมันก็สูงขึ้นไปตามกันอย่างงี้นะเพราะฉะนั้นเน่อย่าพากันนิ่งนอนใจภาวนาแล้วเราต้องพิจารณาเรื่องบุญเรื่องบาปเนียให้มันแจม่มแจ้งอย่าไปนึกว่าอืง่ายนิดเดียว เรื่องบุญเรื่องบาปไม่ใช่มันจะเป็นของอยากอะไร เ, เข้าใจผิดแบบนั้นก็เพราะคนไม่รู้แจ้งในบุญในบาปนี่แหละมันจึงละบาปไม่ได้แล้วก็ทำบุญไม่ได้ผู้รู้แจ้งในบาปมันก็ละบาปได้เลยว่าสิ่งนี้เป็นบาปมันก็ไม่ทำไม่พูดแล้วก็เพราะมันรู้แล้วนี่ อันบางคนไม่ไม่เอาใจใส่ซะเลยนะเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องเว้นว่าแต่เจอบาปก็ทำบาปไปไม่ไม่ได้นึกว่ามันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่อันอย่างนี้แหละคนส่วนมากอันที่มันทำบาปกันอยู่นั่นนะไอ้ผู้เว้นจากบาปได้เพราะภาวนาพิจารณาเห็นตัวบาปอยู่ด้วยตนเองเลยทีเดียว ตัวบาปกับตัวโลกทัวโกรธตัวหลงอาจจะไปหายากอะไรตัวบาปอะนั่นเองเมื่อจิตมันคิดโลภขึ้นมาอย่างไดของผู้เราเปนของตนนั่นแหละตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วพอจิตมันคิดโกรธใครต่อใครขึ้นมานั่นตัวบาปมันเกิดขึ้นแล้วอืมพอจิตมันคิดแหนผิดเป็นชอบไปดังกล่าวมาแล้วนั่นะนั่นก็ตัวบาป พามันเณรผิดอย่างนั้นเนมันไม่กลัวที่บาปมันทำบาปได้อะนั่นแหละที่มันทำบาปทำความชั่วได้อยู่นี่ก็เพราะมันหลงมันไม่รู้แจ้งในบาปนั้นผู้ที่เว้นจากบาปได้ก็เพราะภาวนารู้แจ้งในบาปนั้นํามเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพระธรรมคาสองพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสันติสิโก ผู้ปฏิบัติย่อมรู้เองเห็นเองใครจะรู้ให้ใครไม่ได้เลยอันนี้ต่างคนต่างปฏิบัติใจตัวเองทําใจของตนให้สงบระ ง, งับลงไปแล้วมันต้องมองเห็นทะลุภู่งไปเลยเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่นะตลอดถึงอริยสัจนี่แหละมันก็มองเห็นได้ มองเห็นทุกข์เห็นภยยัยในสงสารนี่ได้แล้วเมื่อใจสงบลงแล้วนะเห็นจริงๆเลยข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติจึงจะรู้ได้ผู้ใดทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้เลยเอย๊ความทุกข์นี่มันอะไรบ้างน้องเนี่ยกับมันดำี่ดูแล้วมันก็รู้ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ความเกิดก็เป็นทุกข์ทว่าจริงๆแล้วนะไม่ทุกข์อย่างไงนอนอยู่ในท้องแม่ถึงเก้าเดือนแทนแสนทุกข์แสนลำบากไม่เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์อะไรเลยอย่างนี้แหละ <c oughs> เราเกิดมาแล้วก็มาช่วยตัวเองไม่ได้พ่อแม่ต้องบวบปางงมเอาทุกอย่างเลย แต่ขี้เยี่ยวอย่างนี้ก็ยังไม่ไ ม, ไม่รู้จักเลยเป็นภาระาของแม่และสูนมากจะต้องชำระละ้างความรักลูกนะถึงขนาดนั้นแหละถ้าหากว่าเป็นอย่างอื่นแล้วนี่มันจะโยนทิ้งไปเลยไม่เอาแล้วแต่นี่เป็นลูกเกิดจากในไส้ของตัวเอง มันถึงได้ทนุทะ น, นอมแม้ว่าจะโศ ก, กทกตกอย่างไรก็อดกั้นทนทานอทนุทะ น, นอมไปอยู่อย่างนั้น น, นั่นแหละไอ้ชาติความเกิดไม่ใช่เป็นทุกแต่เราผู้เดียวพ่อแม่พี่น้องก็เป็นทุกข์ด้วยอย่างนี้แล้วการภาวนาแล้วก็ให้เห็นทุกอย่างนี้แหละบางคนว่าอ้าเมื่อ เมื่อทําใจสงบลงแล้วจะให้ทําอย่างไรต่อครับว่าอก็พิจารณาในเรื่องของชีวิตนี่แหละอย่าพิจารณาอะไรหรอเพราะจิตมันยังหวงอยู่ผันห่านี่ยมันไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางก็เพราะมันไม่เห็นทุกข์นั่นแหละมันไม่เบื่อหน่ายในทุกข์นั่นแหละทุกข์น่ะมันมันมีมันเกิดขึ้นจากไหนทุกข์นั่นมันก็คือขันห่านี่เองเนี่ย เกิดขึ้นที่ขันห้านี่ทำไมมันยังเกิดขึ้นก็เพราะขันห้ามันไม่เที่ยงขันหน้าไม่เที่ยงแล้วมันก็แปลปวนไปมันก็ทนได้ยากลาบากจิตจิตที่ไปอาศัยอยู่ในขันห้านี่มันรับรู้อะรับรู้ความแปรปวนของขันห่านี้เมื่อมันไม่รู้เท่ามันยังเป็นทุกข์บันี้นะจิตเนี่ยกระมวลกระไายเดือดร้อนอื ปวดหัวเขามากบเดือดร้อนใจปวดท้องก็เดือดร้อนใจปวดแข้งปวดขาก็เดือดร้อนใจปวดเจ็บตรงไหนก็มันก็ไปเจ็บที่ใจนั่นแหละแต่ร่างกายนี่มันไม่ว่าอะไรนะใจทั้งหากเป็นผู้รับรู้ความแปรปวนของร่างกายนี่เมื่อเมื่อจิตไม่รู้เท่ากายก็เป็นทุกข์ จิตก็เป็นทุกข์ที่นี่นะให้เข้าใจเมื่อจิตรู้เท่ากายตามเป็นจริงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อไม่ถือมั่นว่าเป็นของเราทุกข์ก็ไม่ใช่ของเราอีนี้ถึงแม้ว่ามันจะสัมผัสกับความทุกข์อยู่แต่จิตนี้มันก็รู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของเราเรื่องของขันห้าตัางหะนี่เนี่ยจึงเรียกว่ารู้เท่าทุกข์ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อดทนนะอดกั้นทนทานไม่ไม่วนไหวต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในกายเหตุฉะนั้นก่นะาศาสดาจึงรับสั่งพระอานนท์ตอนที่วันเสด็จเดินทางไปเมืองกุธิณาาจะไปปริบัติระหว่างทางดูกร อ, อานนท์เราลำบากกาย รงปูผ้าปูนอนลงที่นี้เราจะพักผ่อนร่างกายพระองค์ไม่ได้ว่าลําบากใจนะพระองค์ทรงรับสั่งพระอานนท์ว่าเราลําบากกายแต่ใจของพระองค์ไม่ลําบากไม่เดือดร้อนต้องสันนิษฐานอย่างนี้รู้เท่าแล้วพระองค์ปลงตกลงทุกอย่างแล้วเนี่ย มัเนี่เมื่อรู้เมื่อรู้แจ้งในทุกเราก็จะต้องรู้รู้เหตุมันพร้อมบาเนี่ถ้าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์จิตมันก็ไปยึดไปสร้างเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาจิตก็เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปไม่ใช่ทุกข์แต่ร่างกายแล้วมาเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นก็พระพุทธเจ้ายัางสรัสว่าตัณหาแหลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ลองสังเกตดูนะ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างรุนแรงขึ้นนี้ตัณหาความอยากให้โรคไปไข้เจ็บในร่างกายนี้มันหายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไรเนา ะ, ะร่างกายนี้จึงจะหายเจ็บห้ป่วยเนี่ยนั่นแหละความอยากเหละนั่นนะคือตัณหา อยากให้ร่างกายหายเจ็บหายป่วยทีนี้เมื่อเมื่อมันไม่หายตามความดำดิ่แล้วก็เป็นทุกข์ใจแล้วเดือนร้อนกระวนกระวายทั้งกลัวตายก็กลัวตายทั้งสเสวยทุกขเวทานาก็สเสวย อ, อย่างนี้นะนี่แหละตัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกทุกข์ใจน ะ, ะแล้วทีนี้ตัญหาที่ มันพอใจในกามคุณเมถุนสังโยคอะไรหมดนั่นอ่ะอันนั้นเทียบ ว, ว่าตัณหาเมื่อเวลายังมีกำลังเลี้ยวแรงดีอยู่เป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเจ็บหนักกงแลวเอาตัณหาอีกว่าเภศหนึ่งเกิดขึ้นมาตัณหายังให้ร่างกายในหายโรคหายไฟทีนี้เมื่อมาระงับความอยากอันนี้นะเห็นแจ้งว่าขันห้านี่ มันบังคับไปได้ไม่พิมพ์ได้ตามใจหวังเมื่อมันมีบัดแปรปวนไปแล้วไม่มีใครจะมาต้านทานได้ดังนั้นนะเราต้องระงังบความอยากเฉยเลยอยากอยาก่าพยายากให้มันหายอย่าอยากให้มันตายให้อยู่ระหว่างกลางแล้วแต่มันจะหายแล้วแต่มันจะตาย แต่ถ้าหาว่าเราทำจิตให้เป็นกลางได้อย่างนี้ตัณหาเนะ่ยมันก็ระงับลงจิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์ทุกแต่ร่างกายทุกแต่ขันห้าเฉยๆทุกเพราะอะไรเพราะมันทนอยู่ได้ยากทนอยู่ไม่ได้มันแปลปรนไปอยู่อย่างนั้ น, นหน้านี่เนี่ยท่านเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของขันห้า วันนี้จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีวันนี้นะจิตไม่วันไว้วันนี้จิตจึงไว่เป็นทุกข์นี่ถ้าจิตวันไวจิตก็เป็นทุกข์แต่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะให้พึ่งพาการเข้าใจอันนี้แหละเหตุแห่งทุกข์นะอย่าไปพิจารณาให้ให้ห่างไกลออกไปปัญหาอยากได้เงินอยากได้ทองเข้าคองอะไรพวกนั้น ยิงโยมันก็เป็นเด็กที่เกิดทุกข์ยิงนะอันมูนั่นนะแต่เมื่อเราละตัณหาประเภทเหล่านั้นได้แล้ววันนี้มันยังมีตัณหาที่ผูกพันอยู่กับขันห้านี่เวลาขันห้าวิบัติแปลควรลงอย่นี่มันอยากให้ขันห่านี่ไม่ไม่อยากให้มันแตกมันดับอยากให้มันมีกําลังเรี่ยวแรงดีนี่เราต้องมาคํานึงถึงตัณหาประเภทนี้ด้วย ต้องกำหนดละปัญหาเหล่านี้ให้ได้แล้วทุกทางใจมันก็จะไม่ไม่นักหนาถึงว่ามันมีอยู่ก็เบาลงเป็นความจริงนะบางคนอนะ่ะเจ็บไข้ได้ป่วยลงร้องทวนคางหาหมโอ吼อหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องอะไร อย่างนี้อยากให้หมอหรือว่าอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยรักษาพยาบาลให้ตนหายเจ็บหายป่วยอะไรหมูเนี่ยนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าผู้นั้นตกเป็นทาสแห่งตันหาแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์ใจเท่านั้นแหละทุกเลื่อยไปจนวันสิ้นลมหายใจเข้าออกนั่น เมื่อสิ้นลมหายใจก็ออกแล้วก็ยังหอบเอาทุกติดตามไปสู่โลกหน้าน้่นอีกมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนะั้นนะให้พากันรู้จักตัณหาเมื่อแยกแยะออกให้ฟังแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าทรงสรัตว่าเมื่อดับตัณหาได้ทุกข์ก็ดับไปหมด ดับตัณหาได้มากเท่าใดน้อยเท่าใดทุกประดับไปเท่านั้นหมายเอาทุกทางใจมันเมื่อใจไม่ไม่เกิดอีกแล้วอย่างนี้ไอ้กายก็หมดหมดทุกข์กันเพราะมันไม่มีกายแล้วไม่มีขันห้าแล้วมันจะมันจะมีทุกข์มันจะไหนขันห้ามันไม่มีนี่นั่นไงเมื่อจิตใจไม่อยากแล้วหมดความอยากความหิวแล้ว ใจนี่มันก็ไม่เกิดอีกนะท่านก็เรียกว่าเข้าถูนิพพานนั่นแหละท่านจึงกล่าวว่าเมื่อดับตัณหาได้สิ้นเชิงทุกก็ดับไปหมดไอการที่เราจะมีอุบายมาละตัณหาได้ในที่มันไม่ใช่ง่ายนักสิเนี่ยนั่นแหละเราต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว ผู้เป็นเคเรหักก็ให้ทานรักษาศีลวังธรรมเจริญสมาธิภาวนาไปประกอบข้อปฏิบัติทั้งสามประการนี้ให้พร้อมกันไปอย่างนี้แล้วมันจะทำตัณหานี่ให้เบาบางลงไปเรื่อยเอยออมื่อตัณหาเบาบางจากดวงจิตนี่ไปแล้วดวงจิตนี่ก็ บันเทาทุกไปเรื่อยๆทุกทางจิตใจเนี่ยก็เบาไปเรื่อยๆข้อนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเองขึ้นมาใครไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นต้องลงมือปฏิบัติจึงจะรู้ได้ก็เช่นอย่างว่าเมื่อเมื่อบุคคลมีศรัทธาทำบุญบริจาคทาน ไปตามกําลังพรความสามารถเท่าที่ตนจะทําได้อย่างนี้นะมันก็ทําให้ความอยากในหัวใจนั้นเบาลงมาความอยากเหลืออรุณพ้นประมาณอยากร่ําอยากรวยเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยก็อยากรวยกับเขาแต่บุญของตนมีน้อยอย่างนี้นะเมื่อมารู้ตัวอย่างนี้แล้วว่า คนมีบุญน้อยจะไปอยากทะเยอะทะยานดินน้นรนสักเท่าไหรสแสวงหาสักเท่าไรมันก็ไม่รวยเหมือนเขาผู้เขามีบุญที่ได้ ท, าทํามาแต่ก่อนบุญนั่นมาส่งหนุนส่งเอาเขาถึงได้ร่ํารวยอันบุคคลผู้ไม่มีบุญกุศลที่ ท, าทํามาแต่ก่อนแล้วมีกค่ น, น้อยมาหาเงินทองเข้าของในปัจจุบันนี่นะ มันก็พอแต่ว่าเรี่ยงอัถภาพไปประทางชีวิตไปเท่านั้นเลจะให้มันร่ำรวยขึ้นได้สวยความสุขความสบายไม่กำฝนทนแดดอะไรอย่างคนเขามีบุญมันไม่ได้เลยเราก็เห็นกันอยู่ทุกคนนี่นหะพวกที่เป็นชาวนาชาวสวนหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน ทมงานกรรมผลทนแดดว่นนั้นเวลาไปขายเข้าได้เงินไม่กี่บาทอย่างนี้แหละไอพ้พวกพ่อค้าคนกลางนะ่มันก็กดราคาเอามันซื้อถูกแล้วไปขายแพงวะนี่พ่อค้าน่มันรวยวะนี่ ม, มันร่มรวยขึ้นมาถ้าเขาไม่กดราคาเขามีทุนนี่เขาซื้อไว้มากๆเข้าไป เวลาเข้านั้นมันเกิดมีราคาแพงขึ้นมาอย่างนี้เขาขายออกไปเขาก็ได้กำไรงามๆเขาก็รวยขึ้นเออเราที่เป็นชาวนาเนี่ไม่มีทางรวยก็แล้วกนะันเพราะแต่ได้ใช้จ่ายไฟบางรายก็ติดหนี้เขาพลุงพลังพอข้าวงอกงามไอ้พอเก็บเกี่ยวเสร็จเขาก็มาแบ่งเอาค่านี้ เหลืออยู่ไม่กี่เท่าไร่อันนี้ให้มันสมควรที่จะคิดดูนะคิดถึงตัวของเราทุกคนเนะ่ะเพราะอะไรมันจึงเป็นอย่างนี้เ น, น, น, นั่นแหละก็ให้รู้ตามคําสอนของพระตธเจ้านะ่ะพระติชาก่อนนั้นตนได้ทําบุญกุศลมาน้อยมันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ต้องอาศัยบุญกุศลแล้วนะทุกคนมันก็รวยหมดสิ หรือว่าจนก็จนเหมือนกันหมดมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ทำไมผู้รวยรวยเต็มที่ผู้จนจนเต็มที่ก็เพราะการกระทำความดีมันยิ่งมันย่อนกว่ากันนั่นแหละดังนั้นผู้ใดตื่นตัวได้ก็รีบทําความดีให้มากๆเข้าไปอย่างนี้แล้วชาติต่อไปมันก็สูงขึ้นนะชีวิตนี้เนะี่ยมันเป็นอย่างนั้น แต่อย่าไปทำแต่ทานอย่างเดียวนะต้องรักษาศีลด้วยต้องพยายามรักษาศีลในบริสุทธิ์ด้วยต้องไหวพระต้องภาวนาพุทธโธเข้าไปรละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอาเป็นที่พึ่งไปอย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้ชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะไม่เป็นหมันเราก็สะสมบุญกุศลไปเรื่อย จนกว่ามันจะหมดลมหายใจเข้าออกภาวนาปงสังขารลงไหนๆมันก็จะตายอยู่แล้วจะไปถือไว้ทำไมอ่ะภาวนาพุทธโธปรงมันลงมันเจ็บมันปวดมันร้อนมั น, น้นาอะไรก็อย่าไปหวั่นไหวหัดอดหัดทนเอาให้ใจตั้งมั่นอยู่ในพุทธโธเลยไปอย่างนี้นะเมื่อเมื่อทำได้อย่างนี้อ่ะ มันก็เอาชนะทุกทางใจได้มันเป็นอย่างนั้นไม่ไม่มากก็ น, น้อยน่อยทุกจะเบาวางลงไปแต่ผู้ใดไม่ภาวนาไม่อดทนต่อความทุกข์ความยากแ่างว่านั้นใจมันก็เลื่อนลอยเลยเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยก็เอาแล้วฮ น, นี่เดือดร้อนใจร้ายใจกวนกระวาย ผู้ภาวนาได้อดทนต่อความเจ็บความปวดในขณะนั่งภาวนาอยู่อย่างนี้นะนั่งไปหัดอดทนไปวันนี้บ้างวันต่อไปก็นั่งไปเลยอดไปเลยทนไปเลยมันก็ได้นานที่นั่งไปมันเคยชินเราอดเราทนถ้าไม่เหลือวิสัยจริงไม่ออกการนั่งสมาธิภาวนานี่นะ อันนี้แหละเป็นโอวาทคำสอนของเจ้าพระเจ้าราะฉะนั้นนะเมื่อพากันได้ยินได้ฟังแลว้วจงเอาไปคิดไปตรองถ้าเห็นว่าเป็นทางพ้นทุกข์พ้นภัยได้จริงๆขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามก็จะได้ประสบความสุขความเจริญดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้